เรื่องคำพยาสอนหญิงบทโคลงกาบกลอนหรือพยานั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านพระอาจารย์มั่นจะมาพูดมาสอนสลับกับพระธรรมเทศนาเช่นคราวใดที่จิตของผู้ฟังส่วนมากมีอาการตามกระแสธรรมของท่านเมื่อท่านกำหนดดูจิตว่าขณะนี้จิตของผู้ฟังเกิดปีติ เพลิดเพลินเกินไปจนลืมทุกข์คิดว่าจะยินดีพอใจในอารมณ์นั้นท่านก็จะสลับเป็นพยาหรือได้ออกมาอา้าวอย่าพากันลืมทุกเนอ้อเหมือนคำว่าทุกตั้งแต่ในขันห้าโอมมาขันสี่ทุกตั้งแต่ในโลกนี้โอมคอยผู้เดียวเมื่อมีความเพลินจนลืมตัว ต่อไปก็จะลืมไตรลักษณ์นี้เป็นความรู้สึกของผู้เล่าผู้ปฏิบัติเกิดปีติสุขเอกะคะตาอันเกิดจากฌานสมาธิสมถะเป็นที่พักเอากำลังปัญญาเลยไปติดในนั้นท่านจึงให้เอาไตรลักษณ์แก้หรือเพื่อความร่าเริงอาจหารบันเทิงบ้างตามแต่จิตของผู้ฟังจะมีอาการที่ท่านแสดง เป็นอเทศฐานปาฏิหาริย์ของท่านคำว่ามาฮับมาหายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเหมือนที่ดามานมาล่อลวงพระพุทธเจ้าเหมือนมีตัวมีตนแล้วก็จางหายไปหรือเหมือนพยับแดดมองดูไกลเหมือนมีตัวมีตนพอเข้าใกล้ก็จางหายไป สารพัดเกี้ยวขาสารพัดเกี้ยวแข่งสายตองแต่งเกี้ยวคอนั่งสอกอเหมือนลิงติดตังความหมายว่าตัณหารักลูกเหมือนเชือกผูกคอตัณหารักผัวเมียเหมือนปอผูกศอกตัณหารักวัตถุข้าวของเหมือนปลอกใส่ตีนนั่งคอตกจนปัญญาขาดความคิดเหมือนลิงติดตังคือ ย, ยางไม้เหนียว พยาบางบทเป็นของนักปราชเตปพังก่อนแต่งไว้บ้างที่เข้ากันได้กับธรรมะที่ท่านแสดงธรรมดาพระอริยเจ้าชั้นใดชั้นหนึ่งท่านมีวาสนาในนิรุตติปฏิสัมพิทายาณคือปัญญาแตกฉานในภาษาเข้าใจภาษารู้จักใช้ถ้อยคำให้คนเข้าใจเวลาท่านแสดงธรรมคำเหล่านี้จะขึ้นมาจากญาณของท่าน เป็นอาเทศนาปาฏิหารของพระอริยเจ้า